ตอนให้เข้าไปในศาลาท่าน้าพ้นสายฝนกลัวเครื่องมือของเขาเปียกส่วนในเรือนั้นร้องกันหหยหวนไปหมดเพราะเรือมีท่าจะล่มคว่ำอยู่แล้วเพราะแรงพายุบางคราวเรือก็เซเข้ามากระแทกกับตลิ่งอย่างแรงแล้วทำท่าจะคว่ำคนในเรือก็ร้องกันเสียงแส้พวกอยู่บนบกก็หมดหนทางจะช่วยได้เรือถูกน้าจากตลิ่งกระท้อนเซออกไปแต่กลับถูกคลื่นกลางน้ากระแทกเข้ามาอีก